กูไม่อยากตายกูเจ็บกูเจ็บกูแค้นสัมผัสสยองเรื่องเล่าสุดหลอนเผาทั้งเป็นกูแค้นมันฆ่ากูทำไม กูยังไม่อยากตายเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านของเพื่อนเราเองพึงเกิดขึ้นเมื่อประมาณปีสองพันห้ารอยห้าสิบห้าตอนนั้นพวกเราเรียนอยู่มหาวิทยาลัยกันอยู่ก็มีเรื่องมาแชร์กันแก้ว่างเป็นประจำเล่าเรื่องผีทีไรก็มักไม่ยอมกลับหอกันทุกที จะอยู่กระจุกหอคนใดคนหนึ่งนั่นแหละเพราะกลัวไม่กล้าที่จะกลับเรื่องหนึ่งที่จำได้ดีคือเรื่องเล่าจากดาต้าเพื่อนสาวประเภทสองหนึ่งเดียวในแก๊งของเราเองหมู่บ้านของดาต้ามีสาวประเภทสองเยอะมากและในอาเภอนั้นก็มีแก๊งสาวประเภทสองแทบทุกหมู่บ้านคนเหล่านี้มักจะมีมุกตลกสร้างความสนุกสนานเฮฮา ให้กับพวกเราได้เป็นอย่างดีพี่อาดสาวประเภทสองรุ่นใหญ่อายุอาณากร3ามปลายปลายแล้วพี่อาดเป็นสาวประเภทสองที่แต่งหญิงเต็มตัวรูปร่างใหญ่โตหิวเข้มหน้าตาเขาโครงผู้ชายชัดเจนพี่อาดเป็นที่รักของบรรดาสาวสาวประเภทสองในหมู่บ้านรวมทั้งดาตาด้วยดาตาก็มักจะมีเรื่องตลกของพี่อาด มาเล่าให้ฟังอยู่เสมอดาต้าเรียกพ่อาจว่าคุณแม่เวลาดาต้าเล่าเรื่องพ่อาจพวกเราก็จะหัวเราะท้องแข็งทุกทีพ่อาจเป็นขวัญใจของคนในหมู่บ้านเป็นคนสนุกสนานฮฮฮาแกไปที่ไหนก็มีแต่เสียงหัวเราะแกไม่เคยมีเรื่องราวกับใครโดยตรงมีแต่บรรดาลูกลูกสาวประเภทสองของแก ไปหาเรื่องมาให้แกปวดขมับอยู่เสมอเรื่องผู้ชายบ้างเรื่องมันไส้กันบ้างสัพเพเหระต่างๆนานาแต่ถึงอย่างนั้นพี่อาจก็เคลียร์ได้เสมอเพราะแกเป็นผู้ใหญ่ถ้าลูกๆของแกไปตบตีสาวประเภทสองต่างหมู่บ้านแกก็ไปประกันตัวเสียค่าปรับให้ไปเคลียร์ให้แทบทุกกรณีทุกคนจึงเคารพพี่อาจมาก กฎเล็กของพิอาจก็คือห้ามตีผู้หญิงเพราะเป็นเพศแม่หากใครฝา่าฝืนพ่อาจจะตัดขาดทันทีซึ่งเรื่องก็สงบสุขมาโดยตลอดไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้วันหนึ่งมีหมอลำอยู่ต่างหมู่บ้านวันดาลูกสาวพิอาจต่างแต่งตัวสวยเพื่อที่จะไปดูหมอลำตอนนั้นก็ประมาณสองทุ่มแล้ว เล่าลูกสาวสุดสวยเกือบสิบคนของแกก็มารอแกที่หน้าบ้านพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ครบครันวันนั้นพี่อาจปวดหัวแกก็พยายามปฏิเสธลูกสาวแต่ก็เป็นห่วงกลัวจะไปมีเรื่องมีราวกับใครอีกเพราะไปต่างถิ่นพี่อาจจึงบอกลูกสาวทั้งหลายให้ล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวพี่อาจจะขอพ่อกับแม่ก่อนแล้วจะตามไป แกจึงไปขอพ่อกับแม่แกว่าจะไปดูหมอลำพ่อแม่ก็ไม่อยากให้ไปเพราะทางไปมันอันตรายแถมไกลจากบ้านตั้ง6กิโลเมตรพี่อาจรั้นที่จะไปจนได้เพราะเป็นห่วงเด็กๆและอยากไปดูหมอลำตามประษาคนรักสนุกพอพี่อาจไปถึงเวทีหมอลำก็เจอเหล่าลูกสาวของแกที่กำลังเต้นอยู่ส่งเสียงวิทวาดอยู่หน้าเวที อย่างสนุกสนานแกก็ไปสมทบด้วยเพราะพี่อาจเห็นว่าเด็กๆไม่มีเรื่องมีราวอะไรด้วยความที่แกปวดหัวอยู่แล้วพอประมาณเที่ยงคืนแกก็ขอกลับก่อนเด็กๆ ก, ก็เป็นห่วงจึงจะกลับด้วยแต่พี่อาจเห็นว่าเด็กๆ ก, กําลังสนุกกันอยู่จึงไม่อยากขัดจังหวะแล้วบอกว่าให้สนุกกันต่อ พิอาจก็เดินไปหาแก๊งสาวประเภทสองของหมู่บ้านที่มีหมอลำแล้วแกก็ฝากเด็กๆให้ช่วยดูด้วยเพราะแกกลัวมีเรื่องมีราวเพราะมีคนต่างถิ่นมาเยอะคู่อริก็เพียบหลังจากนั้นพิอาดก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านวันต่อมาพิอาจยังไม่กลับบ้านพ่อแม่พิอาดก็ไปถามกลุ่มสาวประเภทสองที่ไปดูหมอลำด้วยกัน ปรากฏว่าไม่มีใครเห็นพิอาจสักคนและยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าพ่อาจกลับบ้านไปแล้วกลับตั้งแต่เที่ยงคืนทุกคนเริ่มร้อนใจเพราะพิอาจไม่เคยทะเลทลายแบบนี้แกไม่เคยไปนอนที่อื่นและไม่ได้มีแฟนหรือผู้ชายมาพัวพันแต่อย่างใดทุกคนช่วยกันออกตามหาพ่อาจย้อนกลับไปดูที่หมู่บ้านนั้น ภาวนาอย่าให้เกิดอุบัติเหตุอะไรร้ายแรงขึ้นเลยจนเที่ยงวันก็ยังไม่มีใครพบพิอาจจึงพากันมารวมตัวที่บ้านพิอาจสุดท้ายพ่อแม่พิอาจทนไม่ไหวออกไปแจ้งความแต่ตำรวจก็ไม่รับแจ้งเพราะยังไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วก็มีตำรวจที่รู้จักกันคอยดูแลกันมาได้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา ไปช่วยตามหาให้ขณะที่ทั้งหมดกําลังจะออกจากโรงพักก็มีชาวบ้านโทรมาแจ้งว่าพบศพถูกเผาอยู่ที่นาหลังป่าช้าทางเข้าหมู่บ้านแม่พิอาจเข้าอ่อนสุดลงทุกคนภาวนาว่าขอให้ไม่ใช่พิอาจ ต, ตำรวจและทุกคนรีบไปดูสถานที่เกิดเหตุพอไปถึงที่ใจเอม สาวประเภทสองถึงกับร้องไห้โฮเขาบอกว่านี่คือพี่อาจเพราะจํายกทรงได้ยกทรงตัวนี้พี่อาจชอบมากและตัวเองได้เป็นคนพาไปซื้อแม่พี่อาจเป็นลมแล้วเป็นลมอีสภาพศพพี่อาจคือถูกเผาทั้งคนทั้งรถมอเตอร์ไซค์ร่างไม่เกลี่ยไม่เหลือเคล้าโครงให้ใครจําได้แต่ที่แปลกคือ ยกทรงตัวนั้นกลับไม่ไม่หมดปรากฏเหลือลายให้พอจาได้ว่าใครเป็นเจ้าของตํารวจจึงสันนิษฐานว่าพ่อาจไปดูหมอลำแล้วมีเรื่องกับคนต่างถิ่นเขาจึงตามมาค่าแต่ทุกคนไม่เชื่ออย่างนั้นเพราะพิอาจไม่เคยมีเรื่องกับใครตํารวจจึงตั้งข้อสันนิษฐานว่าคนร้ายอาจจะจําคนผิดหรือแค้นใจ ทีพี่อาจคอยช่วยเหลือเด็กๆของแกอยู่เสมอตำรวจตั้งเป้าไปที่สาวประเภทสองแต่ละหมู่บ้านทันทีเพราะข้าวของทุกอย่างของพี่อาจยังอยู่ครบสร้อยทองที่ไหม้ละลายติดเนื้อศพกระเป๋าสตางค์มีร่องรอยของธนบัตรชัดเจนตำรวจจึงตัดปมนี้ไปคืนแรกที่สวดศพป้าเจิมป้าของพีาจก็มีอาการแปลกๆ ร้องไห้ววยวายมันทำกูทาไมทำกูทาไมหลายคนคิดว่าพิอาจมาเข้าสิงร่างปะเจิมเพราะปะเจิมเองก็เป็นคนขวัญอ่อนและมีผีเข้าอยู่บ่อยๆตามความเชื่อของชาวบ้านชาวบ้านกลัวปะเจิมจะเป็นลมเพราะอายุอานามแกก็ปาไปเกือบเจบแล้วก็ขอร้องให้พิอาจออกไปจากร่าง จากนั้นป้าเจิมก็กลับมาและบอกว่าไม่ไหวแล้วอาดเอ้ยแกแรงเกินไปป้ารับไม่ไหวแกไปบอกผ่านคนอื่นเถอะลูกสักพักพี่สาวของมิอาดซึ่งรูปร่างใหญ่ก็ร้องวีดขึ้นกูเหี้กูร้อนกูเหี้ พระที่มาสวดศพต่างมองหน้ากันแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุง่งขนาดพระยังกลัวแม่พิอาจร้องไห้สึกเสือื่นอาดเอ้ยใจเย็นๆลูกร่างมันรับไม่ไหวค่อยๆพูดนะลูกกูฮิวพิอาจที่อยู่ในร่างของพี่อินพี่สาวยังคงร้องกรี๊ดเหมือนเดิมชาวบ้าน จึงไปหยิบข้าวเหนียวที่อยู่ใกล้มือมาปั้นหนึ่งพี่อินคว้ามหมับยัดเข้าปากคําโตแล้วก็กินไปร้องไห้ไปอาดเอ้ยไปก่อนลูกค่อยมาใหม่ไออินมันไม่ไหวแล้วชาวบ้านต่างไล่พี่อาดออกจากรางพี่อินเพราะพี่อาดโมโหร้ายแรงเหลือเกินเพอพี่อาดยอมหมกไปพี่อินก็เป็นลมล้มพับลงไม่เป็นท่า ช่วยกันปฐมพยาบาลกันอยู่นานพอเวลาผ่านไปสักยีสิบนาทีพี่อินก็บอกว่าอาดเอ้ยมาเถอะมาบอกว่าใครทํำมึงใครทํำมึงฮิอาดเข้ามาในร่างพี่อินอีกครั้งคราวนี้นั่งร้องไห้เข้าไปกอดแม่แล้วก็บอกว่าค่อยเจ็บหลายค่อยเจ็บค่อยแสบมันเฮ็ดค่อยอยัง้งมันเฮ็ดค่อย พอแกพูดได้แค่นั้นตาปีอินก็แข็งขึ้นมาทันทีเสียงพี่อินใหญ่และดังทุมมากแล้วปีอินก็ออกจากแม่ลงไปนอนกลิ้งอยู่กลางบ้านบริเวณหน้าลงศพแกร้องและจับที่ขาด้วยความทรมานแกบอกว่ากูเจ็บตรงนี้กูเจ็บตรงนี้ทุกคนที่อยู่ในงานศพต่างหวาดกลัวปนสงสาร พากันร้องไห้ออกมาเพราะสงสารพี่หยาดมากมันทำอะไรเมืองมันทำยังไงทําไห ม, มันทำเมืองชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ถามขึ้นพี่อินเริ่มกรีดอีกครั้งแม่พี่หยาดก็บอกว่าให้พี่หยาดใจเย็นๆเดี๋ยวพี่อินไม่ไหวแล้วร่างพี่อินก็ลุกขึ้นทำหน้าเหมือนจับอะไรทุกอะไรสักอย่าง มันทุกค่อยมันตีหัวค่อยแล้วมันก็พามาฟันขาค่อยจนขาดพี่อินลม้มลงอมือจับขาดินพลาดเสมือนกับเจ็บปวดมากชาวบ้านบอกค่อยๆพูดค่อยๆเล่าพี่อาจในร่างพี่อินก็พูดต่อมันตีมันฟันกูเสร็จมันก็ผลักกูลม้มลงเอามอเตอร์ไซค์มาทับกู มันเอานะ้ำมันราดแล้วจุดไฟเผากูพี่อินกรีดลันใครทำเมืองใครทำเมืองชาวบ้านร้องไห้โหด้วยความสงสารแต่พี่อาจไม่ตอบคำถามกูแค้นมันฆ่ากูทำไมมันทำกูทำไมแล้วแกก็ดิ้นพลาดสักพักชาวบ้านเห็นท่าไม่ดี จึงช่วยกันเอาพระห้อยคอพีอนเพราะพิอาจไม่ยอมออกไปกลัวพีนจะเป็นอะไรไปสัก่อนแม่พิอาจไปจุดธูปบอกพิอาจว่าให้พาคนปิดมาให้ตำรวจจับเพ้ได้ดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส, สร้างความหวาดผวาไปทั้งหมู่บ้านกลางคืนไม่มีใครออกไปไหนเลยปกติแล้วหากตายโหงเขาไม่ให้เอาเข้าบ้าน แต่บางบ้านก็ไม่มีความเชื่อเรื่องนี้ด้วยความที่รักลูกมากพ่อแม่ก็ย่อมอยากให้ลูกกลับบ้านแม้ชาวบ้านจะเตือนแล้วก็ตามแต่ศพพิยาจได้ตั้งที่บ้านแค่สองคืนเท่านั้นคืนที่สองไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งวันเผามีคนมาร่วมไว้อะไรพิอาดเป็นครั้งสุดท้ายมากมายทั้งคนในหมู่บ้านและแก๊งสาวประเภทสองต่างหมู่บ้านก็มา แล้วอยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่ค่อยดีขึ้นพ่อาจเข้ามาสิงร่างพี่อินแล้วก็ร้องไห้ปานจะขาดใจกูไม่อยากตายกูเจ็บกูเจ็บกูแค้นพี่อินร้องโวยวายขึ้นทุกคนในงานต่างร้องไห้ด้วยความสงสารจนในที่สุดการเผาศพก็ผ่านไป แล้ววิญญาณพิอาจก็ไม่ได้เข้าสิงร่างใครอีกแต่วิญญาณนั้นยังคงอยู่ไม่ไปไหนหลังจากเผาเสร็จชาวบ้านบางส่วนก็แยกย้ายกันกลับบ้านบางส่วนก็กลับไปช่วยเก็บข้าวของบ้านงานพอเก็บของเสร็จก็มืดแล้วนัาพวงกับลูกสาววัยเจ็ดขวบก็เดินกลับบ้านซึ่งทางกลับบ้านแกต้องผ่านเมรุที่เพิ่งเผาศพพิอาจไป ปรากฏว่าแกกับลูกเห็นพี่อาจนั่งห้อยขาอยู่ที่เมนและขาข้างหนึ่งของแกก็ห้อยต่องแต่งเหมือนกำลังจะขาดใครที่ผ่านมาผ่านไปยังตรงจุดเกิดเหตุตอนดึกๆ ก, ก็จะได้ยินเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานจนไม่มีใครกล้าออกไปไหนดึ ก, ดกอีกเลย สิย